ลูกลักของพ่อทุกคนมาตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามของคัดเศษเพรา ะ, ะนั้นว่าพ่อจะย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าทำไมถึงต้องมานั่งตายกันปีพศสองพันห้าร้อยี่ิบสองเนื้อแท้จริงๆมันก็ควรจะตายพศสองพันห้ารอยี่ิบสี่ ต่เรื่องตายนี้ความจริงพ่อก็ลืมไปแล้วเพราะว่าเมื่อปีพศ .2515 พ่อก็ต้องตายไปวาระหนึ่งเส้นมาเป็นการตายนิดๆหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องตายจริงเหมือนกันเพราะว่าอายุไขของพ่อจริงๆมีเคียงแพร่แค่อายุ27ปี ตอนนั้นพ่อกระดูรู้สึกว่าจะเขียนไว้ในเรื่องของพ่อปานแล้วตแต่ว่าตอนนี้จะไม่ย้อนถึงไปเป้นว่าตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศสดาทรงจัดมีพระบัญชาว่าปีพศออ2523จะต้องสร้างตึกสองชั้น มีความกว้างแปดวาแล้วก็ยาวสามสิบวาจัดเป็นห้องแต่ละชั้นเป็นห้องสำหรับพระอยู่สี่ห้องแล้วก็ปล่อยเป็นห้องโถงไว้ประมาณยี่สิบวาและก็หน้าห้องโถงชั้นบนทงด้านท้ายให้ตั้งเครื่องตั้งศพทำมวิธีทุกอย่างที่พ่อตายแล้ว ตั้งเครื่องตั้งไว้หมดทำที่ถ่ายน้ำเหลืองแทระบายน้ำเหลืองไว้เสร็จแล้วก็วิหารหลังนี้ที่ที่หลังนี้ให้เรียกว่าคุณดังเก็บศพให้ทำวิหารคดสองข้างข้างหนึ่งยาวร้อยเมตรและก็สกัดด้านหลังว่หารคดนี้ต้องมีหน้าต่างมีมุงรวด ให้เป็นที่พักของคนได้และมีห้องส่วงห้องน้ำให้พอกับคนที่จะมาอาศัยพื้นที่ทั้งหมดจะมีคนนอนพักทั้งวิหารคดและอาคารหลังใหญ่ได้ประมาณหกร้อยคนก็นั่งคิดดูว่าเวลานอนประมาณหกร้อยค น, นเนรียนถามนันว่าทำเพื่อประสงค์อะไร ท่านบอกว่าเป็นความประสงค์ของฉันแล้วถามว่าบริเวณทั้งหมดนี้จะมีอะไรอีกท่านบอกว่าให้มันบริบูรณ์ทุกอย่างให้ปลูกต้นดอกไม้รอบๆ อ, อาคารด้านนอกด้านด้านรู้ว ด, ด, ด, ด้านนอกให้เป็นดอกไม้ข้างในใครที่จัดสวนดอกไม้ให้สวยๆก็เป็นเรื่องของเขาให้ก็ทําตามใจทุกอย่างเพื่อความสุขของคน แล้วก็มีวิหารแถวืกอห้องแถวห้องหนึ่งพอกับประาราคาประมาณห้าหมื่นบาทแต่ว่าตั้งราคาห้าหมืนบาทคิดแล้วปรากฏว่าของขึ้นราคาไม่เกินไปเสีแล้วใอ้คนนี้เขาจะทําบุญด้วยเพราะก็ยังคิดห้าหมืนบาทท่านออกแบบของท่านเสร็จให้มีความเยือกเย็ยนพอน้ากุฏิทั้งหมดให้ปลูกต้นทองล้างเพื่อความเย็ยน และก็ให้สร้างตามชื่อที่มีบุคคลรับเป็นนั้นว่าส่วนน้นทั้งหมดทั้งติดกํานวยการทันลาหลังใหญ่เมนก็จะต้องใช้เงินกันประมาณยี่สิบล้านเศษ จ, จะเพราะอาคารหลังใหญ่มีหายคดและทุกสิ่งทุกอย่างครบท่านบอกว่าต้องใช้เงินประมาณหกล้านบาท ความจริงราคาของท่านบอกไม่เคยผิดหมายว่าพระพุทธ ร, รูปที่จะตั้งบนังคาหน้าด้านหน้าให้ตัดออกเอาไปทำเป็นฐานที่ตั้งนั่งหน้าติดอำนวยการทำแบบสภาวะพรนิพพานแต่ว่าไม่ใช่จตุรมุขต่มียอดกลางเพราะมีอยู่แล้วที่เดิมให้ใช้เป็นเจดีย์ห้าองค์คือองค์ใหญ่ยอยู่กลางองค์ริมริม มีสีม่มีอยู่สี่มุมและให้ประดับไปได้กระจกเงาขาวทั้งหมดแทนที่ใช้สีใช้ทองไม่ใช้ให้ประดับกระจกทั้งหมดทั้งเจนดีทั้งอาคารทั้งพระพุทธรูปปางพรนิพพานแม้ความปานที่อยู่ในพรนิพพานตอนนี้พ่อข้าสงสัยพะกลับลงมาแล้วองค์สมเด็จพระจอมใจท่านห่างออกไปนิดหนึ่ง พอก่อนนึกไม่ออกว่าทำไมเนอะสมเร็จพระผู้มีพระพายใจที่นะทรงตัดอย่างนี้แต่ก่อนที่ท่านจะถอยอไปนิดหนึ่งท่งบาบอกว่าช่วงนอนตอนที่สองให้เป็นจุดที่คนปฏิบัติเพื่อตัดสังโยน์มุ่งหมายเรื่องสังโยชน์ให้ทำเสียงตามสายตัดเป็นสองตอน เสียงตามสายธรรมดาฟังทั่วกันหมดแต่ว่าเวลาจะใช่ฝึกสังโยชน์ให้ต่เฉพาะตอนหลังที่ที่สร้างใหม่เพราะว่าตอนนั้นจะต้องพยายามเปิดเย้เสียงกันเกือบทั้งวันแล้วก็คารที่สร้างพุทธรูปข้างล่างให้ใช้งานได้อย่าปล่อยให้ไร้ประโยชน์ เพราะนนว่างานนี้พ่อก็สงสัยมาท่านถอยไปแล้วท่านโป่ของลูกก็เข้ามาท่านถามว่าลูกที่สมเด็จทรงตรัสอย่างนั้นโรคจําได้ไหมว่าทําไมมาตัดความตายในตอนนี้แล้วทําไมยังสั่งให้ตัดและตั้งเครื่องตั้งเพื่อการตายพ่อก็นึกไม่ออก ท่านก็ทรงดัดว่าลูกจำได้ไหมเมื่อคราวที่ลูกป่วยหนักมเมื่อปีพศ .2515 หลังจากนั้นที่ลูกจะไปตามความมุ่งหมายเดิมตามกำลังบุญบารมีของลูกแต่ท่านยับยั้งไว้บอกว่ายังไปไม่ได้ว่าคนของเธอที่ติดตามเธอมาชาตินาดีตก็มีมาก คนข้อโยมเธอก็มีมากและคนของพระองค์ที่ควรจะได้ผลในความดีก็มีมากจะต้องอยู่เพื่อคนพวกนี้ก่อนแล้วสมเด็จพระจินวรก็ทรงตัดว่าขอลูกจงช่วยกิจของพ่อต่อไปอีกสิบปีและเรื่องสิบปีนี่มันครบพอสองพันห้ารอสิบสี่ จะว่าท่านจะทำวิธีต่อจะต่อปีนั้นมันจะต่อไม่ได้เพราะนั้นเป็นเป็นการปีต่อปีที่สุดต่อไม่ได้จะต้องทาวิธีขอต่อการให้ตั้งเครื่องศพทั้งหมดถือว่าตัวตายไปแล้วจถือว่าคนเก่าตายไปเป็นการสร้างกันขึ้นมาใหม่เป็นการเกิดใหม่ แล้วก็มาปีนี้ปลายปีปศสองพันห้าร้อยี่ิบสองท่านคิดว่าการก่อสร้างปีนั้นถ้ารอถึงปีนั้นจริงๆคือปีปศสองพันห้าอยยิบสามตึกใหญ่ให้ลงมือสร้างไม่เนาะไม่เกินเดือนเมษายนอาจจะเสร็จเรียบร้อยเมษายนสองันห้าอยิบสามอาจจะเสร็จเรียบร้อยปีศสองันห้าร้อยี่ิบสี่ ถ้าถึงตอนปีนี้ท่านขอไม่ได้ท่านยับยังไม่ได้จึงตัดให้รูตายไปซิในตอนนี้เพราะท่านตัดอย่างนี้ก็มีความเข้าใจแต่ว่าการอยู่ไปกี่ปีลูรักจงอย่ารู้เลยและก็จงอย่าเชื่อขันห้าถ้าคันห้ามันจะพังจริงๆนี่ไม่ก็ทนกันไม่ไหว มันก็จำจะต้องไปฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงคิดนะจงทราบว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายเียนว่าพ่อดีๆอยู่มันก็ท้องเดินมาเฉยๆกำลังยังดีอยู่มันก็ตายก็พอดีเมื่อวันที่ยี่สิบแปดยี่ิเก้าลูกพอนุ์มาเล่าให้ฟังบอกว่าอาการเป็นเหมือนพ่อ หลังจะกลับมาจะอินเดียแล้วก็น่าหมดมีสภาพเช่นเดียวกันนี่จงใจเชื่อชีวิตนะลูกนะในร่างกายของคนทุกคนจงอย่าคิดว่ามันจะอยู่เวลานั้นถึงเวลานี้นี่ไม่ถูกคิดว่าเราตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแล้วเตรียมใจไว้ว่าเราจะตายแล้วเราจะไปไหน ถ้าเราจะไปสวรรค์อย่าเป็นเทวดาก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ให้ทานเสมอมิหิริโอตปะอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วอย่าเอาอย่างพวกอรชีทั้งหลายที่มีความนาดาด่านไม่เกรงกลัวความชั่วไม่เคารพในพระธรรมวินยัยไม่เคารพในพระจรรมยัติปกครองคณะสงฆ์ ไม่เคารพในกฎมหาเทระสมาคมพวกนี้เขามีความทุกข์ปล่อยเขาไปตามทางของเขาและก็อย่าไปสนใจกับพวกปะทะประมะที่มาจากอบายภูมิความรู้ของพวกเราเขาจะคัดค้านทุกอย่างในเนเรื่องของเขาเขาจะกลับลงนรกใหม่ลูกจงอย่าไปกับเขาเลย ลูกทุกคนไปรู้จักสวรรค์รู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกายรู้จักสมเวศสีรู้จักปุ่มเทวันดารู้จักลุกเทวันดารู้จักอากาศเทวันดารู้จักพรมรู้จักนิพพานทั้งหมดนี้ให้จิตใจต้องการอยู่เฉพาะจุดเดียวคือพระนิพพาน ตอนนี้พ่อจอะถอยหลังไปถึงการป่วยเมอปีพศสองพันห้าหร้อยี่ิบห้าห้าสองพันห้ารอสิบห้าเออลักษณะการป่วยคือลักษณะกำลังใจมันต่างกันการป่วยคือการตายสองพันห้าร้อยี่สิบสองไม่มีทุกขเวทนาทางใจเออทางกายมันมีทุกขเวทนาอย่างไรพ่อไม่รับทราบมันหมด คือไม่ได้ตั้งใจรับทราบมันไม่ปรายกดกับใจสัญลังว่าใจกับกายกับประสาทมันแยกกั น, นแล้วมันไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่มีความห่วงใหญ่ซิ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องแปลกมันน่าจะมีความรู้สึกอาการของโป่งนี่เคยเป็นมาแล้วตอนนี้มาปีพศสองสพันห้ารอสิบห้า ญาตาวา่าคือพระครูสังขักษ์อรุณารุณโนไปนี่มนลงพ่อสองวาระคือจากวัดปะครามคำเท่าวาระหนึ่งและก็ที่วัดสะพานอีกวาระหนึ่งปีนั้นความจริงพ่อก็ไม่อยากจะมาแต่ท่านให้คำรับรองทุกอย่างว่างาก่อสร้างทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าแรงงาน เพว่าที่นี่มีช่างมากท่านรับในการช่วยทุกอย่างพ่อก็มาแต่ความจริงพ่อก็เป็นคนโง่เหมือนกันนะลูกนะถราทุกสิ่งตามท่านยาที่ท่านให้ไว้เมื่อมาถึงวัดท่าสงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ทั้งนี้ก็อย่าไปโทษท่านก็ควรย่าโทษกรรมของเราเรามีเป็นคนมีกรรมก็ต้องรับผลของกรรม แต่ว่าพ่อก็มีความมั่นใจพอที่กรที่จะมาก็ทําพิธีอัญเชิญอรตัตนาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเทวดาและมทั้งหมดว่าควรมาไหมเต้ก็บอกว่าควรมาแต่ว่าสัญญาจงอย่าถือว่าเขารักษาสัญญาว่าคนที่นี่ก็ถือพวกเที่พ้ อ, พองพวกเขาจะดีพวกเขาจะช่วยยังไงก็ตามเขาจะถือพวกกันเป็นสําคัญ แต่ว่างานใหญ่เราจะทำได้คือมันเป็นที่สําคัญจุดหนึ่งคือที่หลําพ่อใหญ่ทำไว้จุดนี้เป็นแดนที่ปรากฏว่ากันดารที่สุดทั้งด้านจิตใจแต่ก็ยังมีคนดีไม่ใช่มีแต่คนไม่มีเหตุมีผลเราจะเป็นที่เป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจคนจากดินแดนที่ประกอบด้วยความยากแค้น ได้ดินแดนที่ไร้ความหมายจากคนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขามีความเบื่อนหน่ายในปฏิปทาเดิมมาก่อนก็ฉ่างเขาเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูกำลังใจของคนดีพ่อก็มาก็เริ่มมาแล้วพ่อก็ไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระพุทธพยากรทั้งหมด พอมาถึงแล้วปรากฏว่าพ่อก็ถูกทอดทิ้งโดยการทั้งปวงเป็นนั้นว่าพ่อก็ทํางานตามหน้าที่ของพ่อคลอดเรื่องทุกขเวทนาเร่องอื่นทั้งหมดขอรัตอย่าเล่าเป็นประวัติเลยตั้งแต่เริ่มมาพ่อก็ป่วยมาแล้วพ่อก็ป่วยตลอดอาการป่วยคราวนี้มันแปลกโลกทุกขเวทนามันมากกว่าตั้งที่ นี่เป็นค่านิสหกนะร่างกายมันส่วนหน้ามืดอยู่เสมอท่อไม่ปกติบางครั้งพ่อก็ลุกลับแขกไม่ไหวแต่รู้สึกว่าชาวบ้าน ก, ก, ก็ดีหม่กันบางครั้งพ่อป่วยจนลุกไม่ไหวอาอยใจแยก่แก็มาใชใ้เป็นหมอดูบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็น่าแปลกคนแถวนี้แปลก มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบถือว่าพระเป็นทาตุสำหรับรับใช้พ่อมองดูแลก็มีความสลดใจถ้ถอยหลังมาใกล้ปีพอสองพันห้าร้อยสิบห้าปีพอสองพันห้าร้อยสิบสามสองพันห้าร้อยสิบสี่สองพันห้าร้อยสิบห้า สามปีนี้พ่อมีโรคอย่างหนึ่งคือทางท้องมีการอาเจียนเป็นปกติร่างกายส่วนพอลุกขึ้นมามันก็ทําท่าจะล้มหน้ามืดอยู่เสมอพ่อก็อต้องใช้กําลังใจช่วยทุกทวีนามมันยุ่งมากมันมีการเสียดมีมีการอืดเป็นปกติธรรมดาแต่เวลาแขกมาใครไปใครมาพ่อก็ใช้ความอดกลั้นความอดทน ครั้งหนึ่งเคยไปมานั่งบนธรรมะสอนธรรมะปฏิบัติใงเวลานั้นมีคนเอาจริงเอาจังภายนอกอยู่สามคนคือคุณโยมน้อยโยมพวงแล้วก็โยมอะไรเนาะนึกเชื่อไม่ออกซะแล้วเออโยมนี่ก็อยู่ในวัดนี่แหละ ยอมทองดียอมน้อยยอมพนยอมทองดีแล้วก็มีครูนรทานตวงศ์มีพี่วงศ์แก็มีพระที่อยู่ด้วยสองสามองค์ปฏิบัติธรรมะกันครั้งหนึ่งขึ้นไปบนธมรมะอาจเจียนมาเต็มกระโถนทุกคนบอกว่าถ้าไม่สบายาก็พักพวกก็เลยบอกว่าถ้ายิ่งไม่สบายก็พักไม่ได้ต้องเรีงรับตัวเอง ในการก่อสร้างก็ไปสร้างที่วัดสามจีนด้วยที่วัดเสริมสีสุสวรรค์ในเราสร้างที่วัดท่าสูงโดยตามลำดับมาอดทนทุกอย่างจะไปไหนไมันก็ไม่สบายประสาทมันก็เวียนหน้ามันก็มุดต้องต่อสู้กับกําลังทุกอย่างแล้วต่อมาปีพศสองพันห้าร้อสิบห้า เป็นเดงกันยายน์ปีนี้การเครียดจัดมีวันหนึ่งใกล้อยากเลยกลางเดิอนไปแล้วพ่อสั่งเขาทําเขาทำป่าป่าเวลานั้นสร้างรั้วบริเวณวัดด้วยแล้วก็ทำป่าป่าด้วยแล้วก็สร้างอาคารอีกหลังหนึ่งด้วยต่อไปเป็นที่พักของสง ตอนเช้าเวลาประมาณสามโมงเช้าไปนั่งดูเขาตอน้ำประปามันนั่งอยู่ก็นั่งดีๆในลูกไม่มีอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่านั่งอยู่เสร็จอยากจะลุกกลับเพราะลุกขึ้นมามันก็เจียนอย่างหนักเดินกลับมาถึงมุมรั้วเจียนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งพอจะเข้าประตูรั้วก็เจียนอย่างหน่ออีกครั้งหนึ่ง พอมาถึงนิ่นที่เตียงก็เจียนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเขานี้ลุกไม่ไหววันดีในเรียบมาในเรียบเป็นหมอก็บอกให้ในเรียบไปหาน้ําเกลือมาก็อาจะไปหาน้ําเกลือมันได้จะมาก็หลังจากเพลินไปแล้วหลังจากฉันเพลงก็ฉันไม่ได้ฉันน้ำเขาต้มไปนิดหนึ่งมันก็อาเจียนออกมา ในช่วงต่อหน้านี้มาสองปีนะกินอะไรมันก็อาเจียนกินเข้าไปมากก็อาเจียนกินน้อยก็อาเจียนก็ได้ใสา ย, ยาวิตามินเข้าไปช่วยช่วยเวลานั้นมันอยู่ได้ ย, ยาตอนนี้เขาให้หน้ำเกลือตอนแรกก็มีคนแค่สามคนไม่ได้เรียกหนึ่งคนนี่นก็มีพี่วงอีกหนึ่งคน เออพอดีครูนนทานั น, นวงศ์เวลานั้นยังไม่ได้มาลูกนนทายังไม่ได้มาอยู่ด้วยยังอยู่บ้านโรงเรียนหยุดเธอก็ามามีคนอยู่สามคนพอก็น้ำเกลือไปประมาณสักครึ่งถุงคายช้าๆพาะก็เปื่มตาขึ้นมาก็รู้สึกไว้คนมาจากไหนกันเต็มกุฏิหมด เห็นลูกนนธานัตะวงศ์ร้องไห้พ่อก็เลยหลับตาไปใหม่ไว้เขาร้องไห้ทำไมเราก็สบายดีนี่แต่จิตใจมันสบายโลกตอนนั้นขนาดนั้นทุกเวทนามันบีบขั้นแรงกายอย่างหนักพ่อก็ใช้กำลังลรวบรวมกำลังใจไอ้กำลังใจความจริงไม่ต้องรวมมันมากว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่เป็นปกติ เวลาที่มันจะตายจริงๆแล้วป่วยหนักกำลังกุศลมันจะเข้ามารวมตัวเอก็ให้น้ำเกลือเขาก็ให้เขาเริ่มเดินน้ำเกลือก็หลับตาจับอนาปนานสติได้สองครั้งอาทิตสมาใะกายมันก็ออกไปข้างนอกพอออกไปแล้วขึ้นไปบนอากาศไปไม่ถึงไหนตัว น, นั้นอยู่ที่อากาศ ปรากฏว่านาอากาศดาดาดไปได้ทิวดาแล้วพรมพระอรหันต่นิพพานแล้วมาตาองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วก็ทรงประทับอยู่เวลาไหนเขก็เข้าไปเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมครูกราบพระอรหันทุกท่านคือกราบทีเดียวทุกท่านนะไม่ใช่ไปนั่งกราบทุกองค์ไม่ไหวกราบวิดามันดานณีจกราบครูบาอาจารย์ทั้งหมด ถ้ากับท่านผู้มีคนก็นั่งอยู่เจ้าพ่อประพรักองค์สมเด็จประสมมาสมุทรเจา้ามาดูร่างกายมันไม่ใช่คนมันเป็นร่างกายของเทวดาแต่ดูแย่เหมือนเทวดามันก็ไม่เหมือนเจอเหมือนพรมมันก็ไม่เหมือนมันเป็นแก้วเป็นประกายขาเปล่าปล่าหมด อยู่ต้นหน้าองค์สมเด็จพระบรมสุคต์และส่วนหนึ่งของตาก็มองเห็นที่อยู่ที่อาศัยแพระพราวสวยสดงดงามสว่างสวัยยิ่งกว่าวาระอื่นวาระที่มีจิตเป็นปกติอยู่กับร่างกายขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่องใสเท่านั้นเห็นอยู่ไม่ไกลเลยพร้อมที่จะเข้าได้ทันที รอเวลาอยู่ประมาณไม่กี่นาทีจะหกโมงยินตอนนี้ลูกฟังให้ดีนะพ่อต้องการให้ลูกทราบว่ากำลังจิตที่มันมีกำลังไม่เท่ากันตอนนี้ทุกขเวทนาของพ่อมันบีบขั้นร่างกายทุกอย่างร่างกายไม่มีความสุขร่างกายไม่มีความดีแสดงว่าจิตมันยังเกาะ อ, อยู่มาก ไม่เหมือนกับครั้งที่เจ็ดคีอสสองพันห้ารอยยิบสองทุกขเวทนามันมีที่ใจไม่ได้สนใจเลยไม่รู้ว่ามีทุกขเวทนาอันนี้แปลกอันนี้รู้ต้องจำนะเรื่องสังขารุ ป, ปีขายานวางไว้เสมอเสมอว่ามันก็มันเราก็เราเราไม่ใช่มันแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรา เรื่องการหิวเป็นเรื่องของมันป่วยไข้ไม่สมบายเป็นเรื่องของมันหนาวร้อนเป็นเรื่องของมันบทอุจาระปัสสาวะเป็นเรื่องของมันมันจะตายมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็เราคือใครลูกทุกคนธรรมโนยิธิได้หมดเวลาที่ลูกออกไปจากกายไปสวรรค์ไปพรหมปนิพานไปนรกไปแดนเปตสุรกาย ลูกแบกร่างกายนี้ไปหรือเปล่าเป็นอะไรลูกทุกคนก็ไม่มีใครแบกไปถ้าไม่มีใครแบกไปก็จงจำไว้ว่าคันห้ามันไม่ใช่เราไม่วางมาเสียทีตอนนั้นพ่อ ก, ก็วางเหมือนกันแต่ก็วางไม่ค่าจะได้วางได้เป็นขณะดขนาบางครั้งจิตมันก็เกาะ ก็มันห่วงเพราะรายได้ไม่เคยดีมันเป็นหนี้เขามากเป็นหนี้เขาระดับเป็นหมื่นก็หนักใจซึ่งตรงกันข้ามกับเวลานี้เป็นหนี้เขาเป็นล้านยังไม่หนักใจแต่ถือว่าเป็นหนี้เราไม่ได้เป็นหนี้ส่วนตัวและเงินของพ่อทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะไหวามาตามอัธยาศัยก็คือเงินส่วนตัว พอพ่อรับพุ๊บพ่อไม่ได้คิดว่าเป็นเงินส่วนตัวพ่อถือว่านี่เป็นเงินของสงฆ์ถ้าพ่อจะใช้อะไรมันต้องเป็นประโยชน์ของสงฆ์ทั้งหมดคือว่าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวถ้าเพื่อส่วนตัวแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่มีภารกิจเรื่องส่วนตัวนอกจากยารักษาโรคเท่านั้น อย่างอื่นของเล่นของที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีสำหรับพอ่พอพอ่อจะสั่งซื้อของแล้วก็ตามต้องเป็นสาธารณประโยชน์เมื่อถึงเวลาใกล้เวลาก็ทูนถามองค์สมเด็จพระบพิีแก้วพ้อไปได้แล้วดีอยังงท่านก็ตัดถามว่าไปไหนก็กราบเพียนบอกว่ามีสัญญาไว้ทิบสองปี วันนี้เป็นวันครบสิบสองปีแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงแั่ว่าสิบสองปีก็ช่างเถิดคนของคุณที่ก็ติดตามคุณมาในอดีตชาติมีจำนวนแสนคุณยังไม่สามารถจะช่วยเขาอย่างน้อยที่สุดให้ไปอยู่ดาวดิงได้และคุณของโยมของคุณก็ยังมีอีกมาก ในคุณของฉันที่ต้องพลอยติดต่อกับคุณอาศัยคุณ้วยยังมีอยู่ในเมื่อคนทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ือไม่สามารถอย่างน้อยที่สุดต้องทำตัวในถึงดาวดิงได้คุณยังไปไม่ได้ในกาเวียนถามนันว่าก็ในเมื่อเขาไม่มาข้าวเจ้าจะไปตามเขาที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเวลาถิสองปีแล้วเขาไม่มากัน เรื่องก็ทรงแต่ ว, ว่าไม่เป็นไรหลังจากนี้ไปฉันได้เกณฑ์มายมทั้งกรอมว่คคุณไม่เป็นไรหรอกยมจะช่วยเกณฑ์มาก็กลาบเป็นว่าเกณฑ์มาก็ไม่เป็นเรื่องร่างกายมันไม่ดีจริงๆจะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องทนต่อสู้ใช้คันติระงับทุกเวทนาเป็นปกติถ้าร่างกายไม่ดีอย่างนี้จะทำงานไหวหรือ ท่านก็บอกก็ไม่เป็นไรเธอรับโยนได้นับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายจะดีขึ้นตามปกติตามลําดับแล้วก็จะดีกว่าเดิมเป็นะนั้ว่าลูกรักทั้งหลายจะพูดต่อไปเวลาก็หมดเสียแล้วที่ลูกนะดูคขาเศษหน้านี้เทปจะมันยังไม่หมดแต่ก็ห่วงหน้าพิษสองพ่อตาพูดมากเกินไปเข้าเครื่องบันทึกถ่ายทอด หน้าที่สองมันจะขาดสำหรับหน้า น, นี้พ่อข อ, อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้นะเป็นการศึกษาในด้านทุกขเวทนารักษากําลังใจแล้วก็เปรียบเทียบกาลังใจว่าการตายแต่ละคราวทุกขเวทนาไม่เสมอกันสําหรับหน้า น, นี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกและทุกคนทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลุส่งประทาน ขอโลกรักของพ่อทุกคนจงบรร ล, ลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี